คนที่เขาทำด้วยสมองบริสุทธิ์อะไรจริงๆเขามีมันจะพอเขาไปติดจะแล้วเป็นเป็นข้อแค่ตัวเท่านั้นเองเขาป็นอแค่ตัวออางเป็นค อ, ออ้างเป็นคออ้างอ้างที่จะดื่มเหล้าอ้างที่จะสุบุรี่เ้าก็เป็นโทษมากนะครับเป็นโทษมากเพราะว่าเออมันจะทําให้คุณภาพในการเขียนในการทํางานเนี่ยมันจะค่อยๆลดลง เสื่มลงเรื่อยๆ เ, เหมือนกับม้าที่เราขี่มันแล้วก็เวลาใดที่มันรู้สึกเปลี้ยเต็มทีแล้วเจ้าของก็ใช้แส้ขวดไปมันเปี่ยแทนที่จะให้มันได้พักผ่อนออหลับนอนหรือกินยากินน้ําอะไรให้มันมีกําลังดีขึ้นเรากับใช้แส้ขวดลงไปมันก็กระโจนไปพักหนึ่งแสักประเดี๋ยวมันก็มันก็เปลี้ยลงมาอีก แล้วถ้าทำอย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่เท่าไหร่มากก็จะล้มลงตายครับครับก็เคยเห็นหลายหลหลายท่านนะที่เขียนหนังสือเก่งๆแล้วก็ดื่มเหล้าเก่งด้วยนะฮะครับตายตั้งแต่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มนะครับครับพอ้มาเขียนหนังสือใทั้งหลายรุ่มไปไม่เท่าไหร่ครับแต่จะยังหนุ่มท่านทุนรพูดเองก็เมื่อก่อนก็ดื่มดื่มไปดื่มไปเขียนไป และกระทั่งสุดท้ายก็ต้องตกระกับลำบากก็ดื่มเหล้าจนกระทั่งมาเจอโรงเหล้าก็สาบเลยมันเป็นน้ำบายโอ้บาปกรรมน้ำนรกจะอกเราให้มัวเบาเหมือนหนึ่งบ้าให้หน้าอายก็ดีท่านสารภาพไปเป็นน้ำบายจมุก ก็ข้อนี้ก็คงเป็นได้เท่านี้นะครับอาจารยนะฮะจะเลื่อนไปข้อหนึ่งแต<ร>่ได้ข<ร>อสุดท้ายข้อสิ<ร>เป็นข้อสุดท้ายจะได้จบวันนี้นะครับคได้บจบอันนี้การผิดการคิดแบบคิดแบบวิพัฒนาวัฒนคือแยกประเด็นแยกประเด็นปัญหาไม่มองปัญหาด้านเดียวอันนี้จะเป็นประโยชน์มากในาการที่จะ จัดศินปัญหาอะไรมองปัญหารอบด้านนะครับมองปัญหารอบด้านเป็นสมันแต่จักษุไม่ไม่มองปัญหาด้านเดียวอพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะแยกแยะประเด็นออกไปแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ไปทีละประเด็นทีละประเด็นอแล้วก็หาคําตอบหาคําตอบให้ได้ ว่าประเด็นนั้นควรจะเป็นอย่างไรประเด็นนี้ควรจะเป็นอย่างไรครับคือว่าไม่ไม่ตัดสินเด็ดขาดลงไปแบบเอกรังส่แบบเอกรังส่าพลาดอย่ามที่เราเราคุยกันเมื่อต้นชั่วโมงนียนะครับ่ถ้าจะมีปัญหาถามว่าเป็นพระกับเป็นคาระวะคารวะกับพระยังไหนดีกว่า ถ้าตอบแบบเอกลางสวัสดก็ตอตอบว่าเป็นพระดีกว่าครับบางท่านก็บอกเป็นคาราวาสดีกว่าแต่ถ้าตอบแบบวิพัชวาวคิดแบบวิพัชวาวต้องแยกแยะออกมาว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพระที่ไม่ดีครับเป็นพระที่ไม่ดีเป็นพระทูศีนเป็นเป็นเป็นคาราวาที่ดีดีกว่าเป็นคาราวาที่ดีดีกว่าครับ อ่เาเป็นวิพัฒวาอ่าเป็นวิพัชว า, ชวาครับวิพัฒนครับพออาจารย์พูดเรื่องนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยไปงานเริ่มเลี้ยงงานวันเกิดของศาสตราจารย์กฤตเฉียนพงศ์วันทัพปกนะฮะครับก็มีอ่าเขาเรียกว่าศิลปินแห่งชาติค่คุณคําคําสิงศรีนอกญาติอาจารย์กำม น, นี่อ๋อย่ยาตั้งคนนั้นคนเดียวกันครับซึ่งใช้นํามประกาว่าลาครับหอมนะ เขาพูดราชิดนะอาจารย์คือฟังแล้วท่านคุณคำสิงเนี่ยรับมองรอบด้านปัญหาเรื่องซึ่งสวที่บอกว่าสาวเฉาเนี่ยค <Okay. S 1> ือท่านท่านมองมองรอบด้านไม่ใช่มองจุดเดียว <Okay. S 1> ทุกวันเนี่ยสื่อรว่สังคมเนี่ยมองว่าสาวนี่เลวทุกคนก็จะลุมพนามสาวนเนี่ยคนเดียว มว่าจะเป็นซื้ออะไรต่ออะไรใครยังไงก็ว่าสวอเรวแต่ท่านบอกว่ามันต้องมองให้รอบด้านคื อ, อพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กครูบาอาจารย์แล้วก็สังคมคทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคือสวอเนี่ยมันปลายเหตุแล้วมันตอนที่จะมาถึงถึงจุดเนี้ยมันมีเริ่มต้นมาอย่างไงมันน่าจะต้องกลับไปดูจุดนั้นด้วยแล้วถึงจะมาวิพากษ์วิจาร ท่านพูดท่านสั้นแต่ว่าเข้าใจพก็มาตรงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดวันนี้พอดีครับคือคือปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีมันจะมีที่มาหรือสะสมตัวหรือก่อตัวมาครับเป็นลําดับลําดับนะครับครับก่อนจะเป็นพายุใจพัดบ้านพังเนี่ยมันจะต้องก่อตัวมานานแล้วใช่ครับแต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นนั่นนะครับ มาเห็นเน่าตอนที่มันมันบ้านทางแล้วบ้านพังครับใส่บ้านทางนี่มันสาเหตุใช่ครับนั่นกันการมองปัญหานี่ในสังคมโดยเฉพาะในสังคมแล้วก็แยกแยะให้ถูกต้องเนี่แหะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับคือว่าที่สังคมของเราขาดมากที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือวิธีคิดนะครับครับวิธีคิดเราสอนให้คนคิดก็จริง่งแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้สอนหรือขาดขาดมากๆก็คือวิธีคิดว่าว่าคิดอย่างไรควรจะคิดอย่างไร เ, เหมือนกับเร า, อ ย, าอย่างว่าเราบอกให้เด็กกินนมบอกให้เด็กกินนมทีนี้ถ้ามองให้รอบด้านเนี่ย ให้เด็กไม่สามารถจะกินนมได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่มีจะกินครับอ่ามันมันไม่มีจะกินนะครับคก็ว่าเราสอนได้เราพูดได้ในโรงเรียนครูทุกคนก็สอนว่าให้เด็กกินนมครับเพอย่างนั้นแต่ว่าบางโรงไม่มีนมจะให้กินไม่มีนมให้กินครับแล้วแล้วแกก็จะกินได้อย่างไรเราเราก็ต้องคิดสาวไปหาต้นเหตุว่าทําไมเด็กกินไม่กินนมอันเรื่อง วิธีคิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับอย่างสังคมทุกวันในนวอย่างบ้านผมแถวว่านอกเนี่ยทำไมจึงจนเพราะจนเพราะหนึ่งก็คือเล่นการพนันสองดื่มเหล้าสามไม่ทำงานสี่ก็ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมพวกในยมเนี่ยจนก็จริงอ่ะแต่ว่าเห็นใครมีอะไรก็อยากจะมีเขาด้วยครับ เาห็นบ้านโน้นมีจักรยานยนต์ก็กลัวลูกของตัวเองจะน้อยน้อยหน้าก็ไปซื้อรถจักรยานยนต์มาให้ลูกเขามีทีวีสีก็ไปซื้อเขาเขามีตู้เย็นก็ซื้อับอะไรที่นอืดนเขามีก็ซื้อหมดอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนคนจนความไม่รู้จักราความไม่รู้จักประมาณเพราะนั้นถ้าจะมองในแง่ของการคิดแบบวิพัฒนวาาก็คือต้องมองไปที่ต้นเหตุ ข, ของความจน แต่ถ้าจะเอาเงินไปกองให้กองให้เท่าไหร่นะีมันคงจะไม่พอนะครับมาเอาปลาไปแจกคร<อ>ับเท่าไหร่ก็ไม่พ อ, อ, อ, อสู้ๆให้เขาหาปลากินเองไม่ได้<อ>ให้เขาหาปลาให้เป็น<อ>วิธีหาปลาทำยังไรบแทนที<อ>่ว<อ>่าจะเอาปลาไปแจกอยู่ตลอดเวลาจะว่าเราสอนให้เขาหาปลากินให้ติดแล้วเขาก็ช่วยตัวเองได้ถ้า เราจะเอาปลาไปเที่ยวแจกคนละตัวทุกวันทุกวันเนี่ยคงเปไปไม่ได้นะอ่ามันก็ลําบากอ่ะแล้วก็ลําบากแล้วเขาก็ยังคงหาปลาไม่เป็นอยู่ในนี้ทางที่ดีก็สอนให้เขารู้จักหาปลาด้วยตัวของเขาเองใช่ครับวิธีหาทําอย่างไรอันนี้เป็นวิธีคิดใจกลางใบกลางการสอนให้คนการช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองเนี่ยดีกว่าครับ เราเราสอนให้เขาคิดเป็นนะครั บ, รบแต่แต่ว่าเราต้องสอนวิธีคิดกับเขาด้วยครับผมว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ควรจะคิดอย่างไรถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันผลอะไรมันจะเกิดขึ้นลำลองเนี้ยนะครับก็เหมือนตอนเราเด็กๆเราไปดูเพ่อพ่อแม่เขาสอนสอนเด็กให้รู้จักเดินนี่ยนะฮะพอสอนให้รู้จักเดินจับเอ้าวจั่งใครล้มต้มใครคิดเลยเสร็จแล้วสะพักกันปล่อยมือเลย เด็กอาจจะลบมั่งอะไรบ้างก็เดี๋ยวก็จับลุกขึ้นมาใหม่ไม่ไปประคองให้เด็กมันเดินไปอยู่ตลอดเวลาไม่จับเลยนะครับนั่นก็เป็นวิธีการครับผมเป็นวิธีให้เด็กเดินเองได้เป็นวิธีให้เด็กเดินเองได้ครับทีนี้ก็เหลือเวลาอยู่น้อยครับอาจารย์ครับก่อนจะจบเรื่องการอความคิดการใช้โยนิโสมนาสิการนะฮะผมขอ อ, อ, อ่านเรื่องของท่านพุทธทาสสักสองสามบรรทัดนะฮะที่ท่านสรุปเอาไว้คือว่าธรรมะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตการปฏิบัติธรรมของท่านถ้าเขเน่เขเนเมาเมากันก็ไม่พ้นเรื่องที่เป็นธรรมะอยู่แล้วการพิจารณาสติสัมปชัญญะใครควรโดยโยนโสมนสิการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด การเพิ่มพูนความรู้หรือปัญญาลึกซึ่งมันก็ามาจากโยนิโสมนสิการไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่องโลกเรื่องธรรมะการรับเข้ามาโดยวิธีใดก็ตามเช่นฟังจากผู้อื่นอ่านจากหนังสือหรือจากอะไรก็าตามที่เรียกว่านอกตัวเราฟังเข้ามาพอถึงแล้วก็โยนิโสมนสิการเก็บไว้เป็นความรู้เป็นสมบัติ พอจะทำอะไรจะลงมือทำอะไรก็โยนิโสมนสิการในสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดมันก็ผิดพลาดน้อยที่สุดเรียกว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดเลยเท่าที่จําได้ในความรู้สึกอะไรที่ควรทำจะได้จะมีมันไม่เกิดพลาดเพราะเราเป็นคนโยนิโสมนสิการตลอดเวลาได้รู้สึกว่าฉลาดขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้ ถ้าจะเรียกว่าฉลาดนะครับนี่ก็ขอผมขอจบด้วยคําของท่านอาจารย์พุทธทาสเท่านี้นะครับครับผมการที่อยในสมนัิกาก็คงจะเปิดสายแล้วท่านอาจารย์ครับอาจารย์จะอยู่ถึงตีหนึ่งสิบนาทีครับผมครับแตท่านผู้ฟังที่รับข้าขนาดนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะรุ่นสมัยท่านอาจารย์วสินก็มาพูดถึง การคิดแบบโยนิโสมนาจการข้อที่เก้าแล้วก็ข้อที่สิบข้อที่เก้าก็คือการคิดแบบอยู่ในขณะคือคิดแบบอยู่ในปัจจุบันตามแนวสติปฐานหรื อ, อตามแนวของประเทศกรตรตะสูตรครับอก็คือในแง่ของอสติปัฏฐานก็คิดถึง จะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการเยืนการเดินการ น, นั่งการ น, นอนแล้วก็ในแง่ของริยาบทจ้อยสัมปชัญญะบปะพระก็จะเพราะว่าจะอยู่ในรยาบทอะไรการนุ่งการหม่มการกินการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้ประการที่สี่ข้อสุดท้ายก็คือการคิดแบบ วิพัชวาคิดแบบแยกปัญหามองปัญหารอบด้านไม่มองปัญหาด้านเดียวอันนี้คื อ, อที่ท่านเสนอมาในวันนี้นะครับในช่วงต่อไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถ้าหากว่ายังไม่มีผู้ฟังเข้ามาแล้วก็คุยกันต่อนะครับอาจารย์รถ้าจริงจริงแล้วถามว่าโยนิสโสมนัสิการเนี่ยเมื่อก่อนล้วก็ก็ดูมัน คล้ายๆกับว่าเอ๊ะยนนิโสมรณาิการแต่ไม่รู้มันเป็นยังไงโยนนิโสมรณาิการใ ช, ใช่ครับเรบาดูแปลกๆเรดูแปลกแต่จากที่ได้อาจารย์ได้นําเสนอมาในประเด็นต่างๆในความคิดทั้งสิบประกาศเนี่ยทาให้เห็นว่าโอ้โยนิโสมรณาิการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญครับแต่ว่าขอขอแถบนิดนึงครับอาจารย์ครับโยนิโสมรณาธิการนี่ไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงนะครับ แต่ว่าเป็นให้เกิดปัญญาฮเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่ตัวปัญญาโดยจบคครรัับบเป็นอุปกรณ์ให้เกิดปัญญาครับใช่ครับเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแล้วทําให้ปัญญาเนี่ยใช้งานได้ดีอย่างในมิลินทปัาหานี่ท่านเรียบโยนิโสมนัสิการเหมือนกับเอามือรวบรวบก่อข้าวะครับแล้วก็ปัญญาเหมือนกับเขี้ยวที่ไปตัดไปตัดก่อข้าวให้ขาดค เพราะฉะนันโยนใสมัยการนี้จะมีลักษณะรวมรวมเอาข้อมูลต่างๆมามาแล้วก็ปัญญาจะเป็นผู้ตัดสินว่าควรจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะฉะั้นโยรใสมัยการไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงแต่ว่าเป็นตัวเหตุ ใ, ให้เกิดปัญญาคให้ปัญญาทำงานครับผมครับน่ามีมาแล้วคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีคุณสมชายครับ สวัสดีครับออสาจารย์วัชินอาจารย์ของขาวจันการมนครับ<ค><ข>อาจารยขอถามอาจารย์วัชินว่าช่วยยกตัวอย่างมิจฉาสติให้หน่อยสิครับมิจฉาสติเหรอครับอว่ามัน ม, มีตัวอย่างมันมันจะออกมาในรูปไหนก็สติสติสติที่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับมีสติตัวอย่างเรื่องไหครับยกตัวอย่างทั่วไปเอเช่นว่ามีสติใน มีสติอยู่แต่ว่าไปมีสติในสิ่งที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีลองลองดูสัมมาถสติก่อนก็ได้นะฮะสัมมาถสติคือสติที่ถูกต้องมีคือคืออย่างนี้ิที่ที่มันสับสวนคือตรงนี้ความระล้ก <ใน S 2> สติปกติเนี่ยองค์ธรรมมันจะต้องเป็นกุศลอย่างเดียวใช่ไหมครับนี่เขาใช้คาว่าไม่ใช้สติก็แสดงว่ามันต้องไม่อกุศล มันก็เลยขัดกันไงครัก็เลยอยากจะีขอยกตัวอย่างว่ามิจฉาสติจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างมันน่าจะเป็นในรูปแบบไหนเอ่อคนสมใจใช่ไหมครับครับมันสืบเนื่องมาจากมิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครัสืบเนื่องมาจากมิจฉาทิฏฐิครับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวจามิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็มี เขาเข้าใจครับอ่ามันพอจะยกตัวอย่างเป็นแบบมัน ต, ตัวอย่า ง, างเป็นตัวละค<อ>รได้เลยครับตรงข้ามกับสัมมาอันนี้ในหมวดธรรมเขาเรียกว่ามิจฉตตาสิทธิอมิจฉตตาสิทธิมันตรงข้ามกับ ส, สัมมัตตสิทธิคุณคุณสมชายจะให้เข้าใจคุณต้องนึกถึงเอภาวะที่ถูกต้องเจนวาสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันต่างกันอย่างไรเอ่ามันจะเริ่มไปจากมิจฉาทิฏฐิ แล้วก็แล้วต่อไปต่อจากนั้นก็เป็นมิจฉาญาณะก็มีแล้วก็มิจฉาวิมุตต์ก็มีมิจฉาวิมุตต์หลุดพ้นผิดหลุดพ้นผิดคือไม่ได้ไม่ได้หลุดพ้นแต่เข้าใจว่าหลุดพ้นอาจารย์สนิทขอขอแทรกนิดหนึ่งอาจารย์ครับแต่สงฆ์ชายยังอยู่นะสงฆ์ชายยังอยู่ครับครับผมครับสวัสดีอาจารย์สนิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันทร์ขามีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งช่วยคิดหน่อยอ๋อให้ช่วยคิดแต่ก็มาช่วยคิดครับก็เกี่ยวโยงกับ ตั้งแต่ต้นเรื่องเล น, นะ <Okay. S 2> เรื่องสิทธิสตรีความเสมอภาคระหว่างผู้ชายผู้หญิงเป็นที่เรียกร้องกันมากในยุคใหม่ ม, มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมกดขี่ผู้หญิงไม่ให้ไม่ให้ความเสมอภาคอย่างกรณี ที่เขาทำในบัญญัติไว้ยอย่างชัดแจ้งว่าแม่ภิกษุณีจะบวดพรรษาสักเท่าไหร่ 3, ก็ตามเป็นร้อยปีก็ยอมเคารพกราบไหว้ภิกษุที่ปวดในวันเดียวไอ้ทั้งๆภิกษุณีองค์นั้นบวชนานเนี่ยอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็ว่าโดยศีลก็ภิกษุณีก็มีศีลมากกว่าพระ แล้ทำไมเอามาตรฐานอะไรนอกจากเพศเป็นเครื่องตัดสินความสูงต่ำของคน เ, เพราะว่าตัวแปรที่มีอยู่ตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็คือเพศเท่า น, นั้นไอ้ศีลพระภิกษุณีก็มีมากกว่ามีสามร้อยกว่าคุณธรรมก็มีมากกว่าบางรู้ว่านะอาจจะบรรลุอนาคามีอะไรไปแล้วแต่มาบังคับว่าจะต้องไหว้พระ ซึ่งวดวันเดียวอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์อะไรมากมายนักหนาก็ได้แต่ว่าไปคำหนึ่งถึงว่าเพศ ช, ชายมันต้องสูงสุดพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธในความรู้สึกในการที่จะยกผู้ชายให้เหนือผู้หญิงเป็นการไม่ให้สิทธิความเสมอภาคอย่างช่วยคิดหน่อยครับดีครับขอบค <ขอ S 2> <อ>ุณอารสนิทครับ<อ> ยังไม่ทราบว่าคุณสมชยายาพราะผมจ ะ, ะยกตัวอย่างเมื่อคืนท่าอาจารย์รวสินท่านบอกว่าคุณส้ําายะรเมื่อคืนอาจารย์วศินท่านบอกว่าให้ไปดูมิจชาตาสิบมิชาตาสิบก็มีคําว่ามิชาสติมิจฉาสตินี่หมายถึงะระลึกผิดได้แก่ความะระลึกถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้วเช่นะระลึกถึงการได้ทรัพย์การได้ยศเป็นต้นในทางอากุศล อในทางอุศนเช่นเราก็ไปนึกแต่ว่าเออเมื่อปีที่แล้วนี่เราได้สองขั้นการที่เราได้สองขั้นเพราะว่าเราเอาของอะไรตอนอะไรไปปลนเพร่เจ้านายเจ้านายถึงให้สองขั้นอันนี้ระลึกอ่าเนี่ยเป็นสติเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นสัญญาแหละครับถ้ราระลึกถึงได้ระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ย ว, ยวนะในทางอุศนอันจัดเป็นสติเทียมนะฮะเป็นเหตุชักนําใจ ให้เกิดกิเลสมีโลภะมานะอิสาไมฉริยะเป็นต้นอันอนีน้พจนานุกรมพุทธศาสน์ใช่ไหมครับผมคงเกิด ค, ค, คุณต้องชายไปติดใจเมื่อวานนี้ที่ท่านอาจารย์มรลบพูดว่าสตินี้จะ มีแนวโน้มไปทางเรื่องของกุศลเท่านั้นส่วนถ้าหากว่าความคิดความจําอย่างที่อาจารย์ตองขาว่านี่ถ้าอาจจะบนไปในแง่ของอกุศลด้วยจะเป็นเรื่องของสัญญาครับที่ท่านท่านพูดอย่างนั้นทีนี้คนตั้มแถกมาถามว่ามิจฉาสติมันเป็นยังไงนะนี่ที่ความเข้าใจกันตรงนี้ครับครับหมายถึงว่ามันพอจะยกตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ได้ไหมครับครใช่ไหมอย่างมิจฉาสมาธิใช่ไหมเอาปืนไปยิงคนอย่างนี้ก็เรียกมิจฉาสมาธิ ไม่สมาธิในทางที่ผิดแต่ะไม่จารสติเนี่ยเราจะยกตัวอย่างยังไงมันจะได้เห็นภาพอมแต่เกียร์อาจารย์น้องกล่าวยกแล้วเนี่ยฮะอ๋อการระลึกถึงมันไม่ใช่เป็นสัญญาใช่ไหมครับการระลึกถึงในสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ไม่ไม่ถือเป็นสัญญาหรือถือเป็นสติเทียมใช่ไหมครับคือคือในในพระพุทธพจน์เนี่ยมีกล่าวถึงอสติในกำว่าระลึกสิ่งที่เคยทําและคําที่เคยพูดมาแล้วแม่นานได้ อ๋อที่ระกาตัมปิที่ระพาติตัมปิสาริตาอนุสาริตาอันนี้คือคือสติระลึกถึงสิ่งที่เคยทําและคำที่เคยพูดมาแล้วแม่นานได้อเอครับผมค่ะดูดูดูดูในไหนครับแล้วผิดอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ในสูตรไหนครับผมอยู่ในนาถะกันนธรรมครับผมกักนณธรรมาสูตรต้องขอบคุณอาจารย์วัชลินนะครับครับขอบคุณคุณสมชายครับขอบคุณมากครับผมครับคุณเด็กวัดสวัสดีครับ เดี๋ยวไม่ไม่ตอบน่ารัวครับนะฮะไม่พูดไม่ตอบของอาจารย์สน่ท์อ๋ออาจารย์เสน่หที่พอดีเดี๋ยวมีสายอยู่อีกสายเียขอบคขอขความความคิเศษของเด็กวัดนิดอย่างเงี้สวัสดีคุณสวัสดีครับจารย์มนล่ล้วรจารย์วสินครับผมขอถามว่าคาราวาสกับพระฤาษีนี่เหมือนกันไหมครับแล้วก็คาราวาสได้ฌานสูงสุดแค่ไหนพระฤาษีได้ฌานสูงสุดแค่ไหนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็ก็ได้สูงสุดได้ทุกทุกทุกขั้นนะครับครับได้ทุกกั้นได้ทุก e ขั้นคารวะก็ได้ฌานสูงสุดได้ทุกขั้นแล้วเช่นพระอรหันต์ก็ได้ครับได้ทิน้ย้อนปัญหาของอาจารย์สน cool. ิทท่านอาจารย์ก็ขีดทางเพศเลยครับกดขีทางเพศที่มองพุทธศาสนาว่าเป็นการกดขีดทางเพศครับผมมีใจที่อาจารย์สนิทโทเข้ามาแล้วก็บอกว่าภิกษุณีนั้นศีลมากกว่าพระครับแต่ทําไม พระพุทธเจ้าจึงให้ต้องเคารพพระแม้ที่บวชในวันนั้นภิกษุณีแม่บวชแล้วร้อยปีครับก็ต้องกราบต้องเคารพพระที่บวชในวันนั้น ค, คือท่าทีท่าทีของพระพุทธเจ้านะครับครับเ อ, อท่านไม่ต้องการให้ประการที่หนึ่งต้องคุยกันยาวแต่ว่าเวลาไม่พอรประการที่หนึ่งคือพระเจ้าไม่ต้องการให้ภิกษุณีอยู่นานจึงทรงบัญญัติคารุธรรม อย่างเข้มงวดแล้วก็บัญญัติขนบประเพณีอะไรต่างๆเพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภิกษุณีหายไปจากสังข้ามนณฑลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดถึงการบวชนะั้นลองอังเกต ด, ดูพนระนี่เป็นอุปะชายะได้ปีหนึ่งไม่จำกัดเท่าไหร่ก็ได้แต่ภิกษุณีนี่เป็นอุปะชายะได้ได้องค์เดียว ปีละคนปีละคนแล้วต้องเว้นหนึ่งปีครับจึงจะบวชได้อีกหนึ่งคนก็เรียกว่าสองปีหนึ่งคนต้องเว้นอีกหนึ่งปีนะอาจารย์ปีปีปีต่อปีปีเว้นปีปีเว้นปีเอ๋อปีเว้นปีเราจะบวชได้ได้คนเดียวเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์ได้คนเดียวอปีหนึ่งบวชได้คนเดียวแต่พระบิชาเรานี่บวชได้ไม่จํากัดไม่จํากัดอปีหนึ่งเป็นหมื่นก็ได้อืมเราอย่างนี้จะไม่หมดไปเลยครับ อย่างนี้แล้วว่าเป็นการกดขี่หรือเปล่าอะไรแต่ว่าถ้ามุ่งอุ่งถึงจุดประสงค์ผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้ภิกษุณีอยู่อยู่นานอยู่ในศาสนานานต้องการให้หมดไปเพราะว่าตอนปรารบกับพระอา น, นุ์ก็จัดไปแล้วว่าถ้าศาสนาของพระองค์จะอยู่หนึ่งพันปีถ้าภิกษุณีมาบวชจะอยู่ได้ครึ่งเดียว จะอยู่ได้แค่ห้าร้อยปีนี่เป็นเป็นตัวเลขสมมตินะฮะครับครับไม่ไม่ได้หมายความว่าอ่าเป็นความเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคข้าราชารนะครับมันเป็นความยุ่งยากลาบากอ่าเป็นความยุ่งยากลำบา ก, บากในสังฆมนตรครับการต้องการให้สังฆมนตรหรือพระสงฆ์เนี่ยอยู่ได้นานครับแต่ถ้ามีภิกษุณีอยู่ด้วยีจะลําบากอืจะจะอยู่ไม่ได้นานตามที่ตัดเอาไว้ว่าต้องลดลงมาทอนลงมาครึ่งหนึ่ง น, นั่นแหละ แล้วก็เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ว่าภิกษุณีก็หมดไปทั้งนานแล้ว ค, ครับท่านนี้ก็มีทั้งพระทั้งคาวาสในเมืองไทยของเราพยายามที่จะไปเรือฟื้นนะเื้อฟื้นซึ่งผมว่าเป็นการฟัง ค, ความคิดซึ่งสวนสวนหลักความจริงนะนะแล้วก็ดูเหมือนจะจะจ ะ, จะสวนกับ เกบพระในเมืองไทยพระผู้ใหญ่ในเมืองไทยนี่ไม่มีใครทําำนะไม่มีใครกล้าทํำหรอกครั บ, รบเพราะว่าภิกษุณีจะต้องบวชจากสงฆ์ทั้งสฝ่ายแล้วก็ต้องบวชจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ทีนี้ภิกษุสงฆ์ท่านไม่บวชมาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนท่านไม่กล้าบวชให้เพราะว่าผิดพุทธบัญญัติ ฉันไม่กล้าทำฉันที่ทางไต้หวันก็ทํานี่ก็ถือว่าไม่ถูกต้องแนานอนนะมหายานเขาก็ทําอะไรไปเรื่อยๆถือว่าเขาทาไปเรื่อยๆทที่น้าหน้าตัวก็คือว่าตอนนี้ทางศรีลังกาก็พยายามที่จะไปจะฟื้นก็คือเอาแบบมหายาณเข้าไปแล้วก็ของไทยเราก็จะไปเห็นดีเห็นงามด้วยออื ผมผมเองผมเองเห็นว่าไม่จําเป็นครับคือไม่จําเป็นต้องมีเอมีเฉพาะธาตุทิกสุกแล้วก็ให้คุณภาพดีๆก็พอแล้วครับผมก็คุณชุมสายใช่ไหมครับชุมสายสวัสดีครับชุมสายใช่ไหมครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอ๋อเป็นแฟนรายการมานานแล้วนะคะมีโอกาสได้โทรค่ะครับผมเชิญเลยฮะเอออยากจะทราบเอกกรรม แต่ว่าปัญหาก็ไม่เชิงนะคะไอ้คําว่าติดดีหนี้แก้ยากกว่าติดชั่วเสียอีกหมายถึงอะไรฮะครับแล้วก็รัวอีกทีอ๋อคําถามแรกนะคะอติดดีหนี้แก้ยากกว่าติดชั่วเสียอีกค่ะอันนี้ก็สงสัยไอ้ว่าติดดีนี่ค่ะจะหมดเวลาอ๋อค่ะเรืองกัดหน้านะคะขอบคุณค่ะอขอทราบที่มาหน่อยได้ไหมครับอ๋อคุณวางหูไปเลยควางหูไปเลย เอาวางหูวไปเลยครับคือถ้าเผิดได้ที่มาก็ดีว่าเป็นคําพูดของใครเอาเอามานี่คุณชมสายจะโทรเข้ามาอีกได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้นี่ใส่เลยไม่ต้องเลก่อนนะฮะคือถ้าถ้าอนุมาลตามนี้เอความดีเนี่ยมันเป็นของหวานใจคือว่าถ้าติดในความดีแล้วมันเอ มันมันไม่มีไม่ไม่มีใครมามาติเตียนไม่มีใครมาห้ามไม่มีใครมาคือม่แต่คนส่งเสริมแต่ว่าพอปัญญานั่นแหละแต่ถ้าเป็นชั่วแล้วก็เราก็เห็นโทษมันอยู่ใครใครก็เห็นโทษมันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดีเนี่ยถ้าไปจิตมันข้ามันก็ละยากแก้ยากละยากเพราะว่ามันหวานใจมันเป็นของหวานเป็นของหวานอีกอย่างมันเป็นของขมอะครับความชั่วมันเป็นของขม ความดีนี่มันเป็นของหวานแล้วคนก็ส่งเสริมสนับสนุนเพราะงั้นก็มันก็ละยากแก้แก้แกยากกันในทำลองนี้นะครับพระไยม่อไรจะเพิ่มเติมในช่องนี้เชิน ะ, ะครับก็ก็ขอขอบคุณอาจารย์สนิทนะครับที่ออกมาให้แนวคิดที่คิดดีนะครับ ให้แนวคิดที่ดีก็จะเอาไปคิดต่อนะครับโยนิโสในการต่อนะครับจะเป็นยังไงนะครับครับขอบคุรับขอพูดให้อาจารย์มากครับครับท่านรับฟังที่เราก็ท่านได้รับฟังท่านอาจารย์วสิณอินสระพูดเรื่องโยนิโสมนัิการซึ่งแปลว่าการคิดด้วยอุบายอันแยบใายก็คือคิดเป็นระบบคิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คิดแบบมีวิมีวิธีคิดนะครับเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีวิธีคิด อย่าไปเชื่อแบบไ ม, ไม่ไม่ได้มีวิธีคิดถ้าชเชื่อแบบไม่มีวิธีคิดเราก็เป็นชาวพุทธที่ไม่แท้จริงครับก็หมดเวลาประเดิกาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ตามรับฟังสำหรับวันนี้อาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่ น, นี้แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นคือรายการธรรมร่วมสมัยก็มีผู้ถามถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิเอ่อก็เลยขอขอว่าเดี๋ยวจะมาตอบ ให้ในห้องถ้าสัมมาทิฏฐิเรามีหลายแห่งที่พูดถึงสัมมาทิฏฐิมีหลายพระสูตรแล้วก็ในสัมมาทิฏฐิสูตร แ, แนะนำให้อ่านสัมมาทิฏฐิสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พระสารีบุตรได้กล่าวกับเท็กสูตรทั้งหลาย ถ้าท่านที่มีมีชีทนะครับลองเปิดดูหน้าสิบเอ็ดไม่มีชีตลองเปิดดูหน้าสิบเอ็ดอันนี้จะเห็นว่าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นคืออย่างไรหน้าสเชีทที่พระสุตตันตปิฎกห้านะครับ ปัญจปิดกฆมัชิมมิกายมูลปันนาน า, า, าทีสิบเอ็ดพระสารีบุตรได้แสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งเดินทางมาจากที่ไกลเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าใจความสำคัญมีดังนี้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หนึ่งรู้ว่าอะไรเป็นรากง้าของขุศลและอคุสุ รากเงาของกุศลก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่โลงอันนี้ท่านเอาไปตอบเป็นโลกุตตธรรมก็ได้นะถ้าเขาถามว่าโลกุตตธรรมคืออะไร้วตอบว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่โลกแปลว่าไม่มีเลยนะไม่ใช่ไม่มีเป็นบางคราวไม่มีเลยมันก็เข้าถึงโลกุตตธรรมล้วเคยออกปัญหาสอบเช่าทาง พระภิกษุและทั้งคาราวาสถามว่าโลกิยธรรมมีเท่าไหร่ก็คิดกันใหญ่เลยที่จริงไม่ต้องคิดนะครับบอกว่านอกจากโลกุตตรธรรมเก้าแล้วนอกจากนั้นก็เป็นโลกิยธรรมทั้งหมดโลกุตตรธรรมมีเก้ามรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นโลกิยธรรมทั้งหมด แต่เวลา <c oughs> เวลาสอบสอบสัมภาษณ์บางทีเขาก็สอบเ่าดูว่าผู้นี้เป็นอย่างไรโลกียธรรมมีเท่าไหร่ก็นับกันใหญ่ <c oughs> ไม่รู้สักกี่หมื่นกี่พันเอา 8, 000, 000, 000, แปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันอะไรเนี่ยนะพระกุศลธรรมเก้ามรักสี่ผลสี่ในพันหนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นโลกียธรรม ง่ายดีอง่ายแต่ว่าถาใไม่รู้เคล็ดตอบยากไม่รู้เคล็ด <c oughs> ว่าถามปัญหาในอริยสัจแบบสอบเชา ว, ว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นท่านจะสู้หรือจะหนีจะสู้ทุกข์หรือจะหนีทุกข์แล้วก็วงเล็บว่าให้ตอบตามแนวอริยสัจเคยทำถาให้วงเล็บว่าให้ตอบตามแนวอริยสัจ ใครจะตอบอยังไงก็ถูกทั้งนั้นเนะี่ยตอบว่าสู้ก็ได้ตอบว่าหนีก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าความทุกข์บางอย่างเราต้องสู้ความทุกข์บางอย่างเราต้องหนีใช่ไมโดยธรรมดาแต่ว่าถ้าให้ตอบตามแนวอริยสัจอริยสัจ บ, บอกไปชัดเจนว่าไม่ต้องสู้ไม่ต้องหนีเพียงแต่กําหนดรู้ เพราะว่าเป็นปริญา ญ, ญ, ญาธรรมทุกนั้นเป็นปรินญา ญ, ญ, ญาธรรมเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาสอบเฉาคือคือดูดูดูอะไรดูเฉาของผู้อามาเรียนหรือผู้ถูกสัมภาษณ์อะทำํำนองนั้นยิ <c oughs> <c oughs> ่งยิ่งยิง่งสอบสัมภาษณ์ปยิ่งอาโทนี่ยิ่งต้องสอบเฉาใหญ่เลยแปลว่า เลือกปัญหาที่เป็นการสอบเชาวไม่ใช่ปัญหาว่าอริยสัจรีมีเท่าไหร่ทุกหมายความว่าอย่างไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ ใ, ชใครก็ตอบได้เอานะอาพอไปจับเข้าก็เรื่องมากอีกอลผมอ่ะอยพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิ อันนี้ก็เรื่องอาหารสี่อันนี้ก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องในเรื่องอาหารสี่อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างหนึง่งท่านก็หารายละเอยียดตัวเองนะฮะเดี๋ยวพิจะยาวอาหารสี่อันนั้นมีอยู่บ้างแล้วมีอยู่บ้างแล้วแล้วก็รู้เรื่องอริยสัจสี่รู้เรื่องความแก่ความตายพร้อมด้วยเหตุเกิดและความดับ รู้เรื่องความเกิดและความดับรู้เรื่องความเกิดและการดับความเกิดเสียได้แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิอย่นี้ถ้าเราเจ็บป่วยบางทีก็เจ็บป่วยก็ต้องต้องเดินจงกรมแล้วก็ท่องคาถาไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวตายแล้วก็กลัวเกิด <laughs> ก็ัเกิดไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายกลัวเกิดอื่าถ้าไม่เกิดมันก็ต้องไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้าพอเราตั้งใจว่าไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายรู้สึกว่ามันสบายขึ้นเยอะเลยสบายขึ้นเยอะอืม ไอ้ความไม่สบายมันก็สบายไปแบบหนึ่งนะมันรู้สึกมัสบายไปอีกแบบเวลาเวลาไม่สบายมันก็สบายไปอีกแบบอมันได้อยู่เฉยๆนิ่งๆสงบดีเหมือนกันเวลาไม่สบายด <c oughs> ูเรื่องความเกิด และการดับความเกิดเสียได้รู้เรื่องพบเหตุเกิดแห่งพบที่นี้อันนี้ตั้งแต่ข้อห้าข้อสี่เรื่อยมานะครับท่านไล่มาจะพบว่าอันนี้คือเรื่องมาถึงข้อสิบห้าก็คือปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ข้อสี่มาถึงข้อสิบห้าก็เป็นการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ทีละข้อแล้วก็มาถึงข้อ16รู้เรื่องอาสวะกิเลส ท, ที่หมักดองอยู่ในสันดานเหตุเกิดและทางดับอาสวะอันนี้เกิดสัมมาทิฏฐิโดยปริยายหนึ่งต้องมีความรู้อย่างนี้จึงเป็นสัมมาทิฏฐิตามแนวของสัมมาทิฏฐิสูตร ในมหาจัตตารีสกัสูตดมัชฌิมนิกายอุปริปัณธาเนี้อยู่เล่มสิบสี่อันนี้เล่มสิบสองเล่มสิบสี่นั้นพูดถึงสัมมาทิฏฐิสองปริยายอ ป, ปริยายเ <c oughs> บื้องต้นปริยายขั้นต่ำปริยายขั้นต่ำอันนี้หมายถึงสมาธิฏฐิสิบ <c oughs> สมาธิฏิสิบ คือสมาทิฏฐิในกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทมีอยู่ข้อหนึ่งคือสมาทิฏฐิความเห็นชอบตามธํานองกลองทัพก็กล่าวถึงสมาธิฏฐิสิบคือเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบูช า, ามีผลการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลมันดามีบีดามี โลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์โอกระติกากมีพ้นแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับในระดับเบื้องต่ำหรือปริยายเบื้องต่ำทีนี้ถ้าสัมมาทิฏฐิในปริยายเบื้องสูงในที่นั้นก็พูดถึงอนาสวาสัมมาทิฏฐิอริยาอนาสวาโลกุตตา เป็นอริยสมาธิฏิโลกุตระสมาธิฏิอนาสวะสมาทิฏฐิสมาทิฏิที่เป็นโลกุตระที่ไม่มีอาสวะที่เป็นอริยคือสมาธิฏิของพระอริยเนี่ยในโดยปริยายในในพระสูตรนั้นทีนี้ในที่บางแห่ง ยังพูดอีกปริยายหนึ่งออพระมาหากัจจานะทูลถามว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่ากัจจานะบางทีก็ใช้คํากัจจานะนะครับบางบางทีก็ใช้คํากัจจายะองค์เดียวกันดูก่อนกัจจานะคนในโลกนี้มีทิฏฐิอยู่สองอย่าง คือพวกหนึ่งเป็นอัตตาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่อีกพวกหนึ่งเป็นนัตตาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งทั้งปวงไม่มีเราตาขาคตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่สุดทั้งสองนั้นแต่แสดงธรรมเป็น่ํากลางว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเท่านี้แหละกัจจานะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิยากไหมฮะคนข้างยากผู้ถามต้องไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็จะจะเข้าใจมีเหตุปัจจัยให้มีก็มี คือว่าคนที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่อัธิตาอัธิตาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่สับบางอัตธิติอยะเมโกอันโตเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นเอ็กตรีมเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งสับบางนัตถิติเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งเราตาตาคตแสดงธรรมเป็นท่ามกราไม่เกี่ยวข้องด้วยส่วนสุดทั้งสองนั้นเธอ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอย่างใดจะถามว่าไฟที่นี่มีไหมไม่ใช่ไฟฟ้านะครไฟธรรมดาเนี่ยไฟที่นี่มีไหมตอนนี้เราไม่เห็นไม่เห็นไฟเลยไม่เห็นไฟที่ลุกโพผล ง, งอยู่เหมือนไฟในเตา หรือไฟที่อยู่ไฟฟืนอะไรเราไม่เห็นเราก็ตอบว่าไม่มีแต่เพราะว่าพอเอาไม้ขีดมาจุดเข้าเอาเชือมามากองเข้ามันก็มีไฟเกิดขึ้นมีไฟเกิดขึ้นไฟนั้นมาจากไหนมาจากเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเอาไม้ขีดแยกออกจาก ออกจากหน้าไม่ขีดไม่ได้จุดมันแยกกันอยู่ไฟก็ไม่เกิดแต่พอเอาหัวไม่ขีดม า, าจุดกันหน้าเปลืองไฟก็เกิดขึ้นไฟก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเอาหัวไม่ขีดไปจุ่มน้ำแล้วก็มาจุดมันก็ไม่ติด แปลว่าเงื่อนไขมันถูกกําจัดออกไปก็ไม่ติดทํานองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่บอกว่ามีหรือไม่มีแต่บอกว่าอะไรจะมีก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มีอะไรไม่มีก็เพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้มีจึงไม่บอกว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่มีมันอยู่ที่เหตุปัจจัย นี้เรียกว่า conditionality conditionality ความมีเหตุปัจจัยหรือว่าสัมพัทธิทฤษฎีสัมพัทธ์ theory of r e l a t i v i t y ทฤษฎีสัมพั ativity, ทธ์เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงมีอยู่สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นจึงไม่มี นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิพออย่างเรื่องสัมมาทิฏฐิพออย่างพอแล้วนะพอนะอืมสัมมาทิฏฐิวันนี้ถ้าตรงกึ้นข้ามก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีเท่านี้นะครับตอบคำถามของผู้สงสัย